เสียงทำซึ้งเข้าไปในจิตจิตมันเคลิ้มต่างคล้อยต่างเพลินตีนมันหลุดจากไปด้านถ้ำตกมมันตกมันดุ ม, ดมตกความกันนะมันเป็นยังไงไม่รู้นะตายถูกหินด้านมันจะไม่ตายหินหน้าธรรม มันตกไม่ได้มีการคัพดพ่านตานทานอะไรกันตกปล่อยตกธรรมดาวิาจิตมันไปอีกอย่างมันเทินไปอย่างคือไม่ดูมจะไม่รู้ว่าจะว่าเจ้าของปกโดยธําไปเพราะจิตมันไม่มาเกาะมาเกี่ยวอยู่กับสิ่งพวกมันเกี่ยวอยู่กั บ, ก, ก, บกระแสะของธรรมเสียงของธรรมโดยเฉพาะโตแล้วตายแล้วไปสวรรค์กันทั้งหมดนั่น ในตำราท่านสอนท่านบอกไว้นี่ใครเห็นจิตข้างขาวนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บางองค์เห็นรู้ยังได้เขียนเอาไว้จากความรู้องคันผมนะเชื่อร0อยเปเซ็นจะโง่ก็ยอมรับบ่าโ ง, ง่โง่ไม่ยอมรับแก้ไขเลยไม่สนใจแก้ไขว่าความโง่แบบนี้ต้อง ต้องถูกแก้ไขหรือควรแก้ไขไม่ยอมเลยยอมขนาดเราเชื่อขนาดนั้นนะมันประสบสดร้อนๆอยู่นี่นะที่ท่านจะรเลื้ไว้นั่นเพราะมันเป็นความจริงมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนจิตที่หมักห ม, มมอยู่ด้วยอิเสอาสวะ คือเสียงสซ่ขปลกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้น ไม่มีอะไรแลกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใด เ, เรียกว่ายิเรศต้องครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของยิเรศก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้โมให้หมอง ให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตืไม่ยอมฟังเหตุฟังผล ใ, ใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ ใ, ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะ รับเหตุรับผลรับอัดรับทำได้แม้จะมัวมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจมแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอนี่หมายถึงจิต ที่มีกิเลสสมมติเข้าเครือแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกันกบจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่ เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกน่าจะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงกันนั้นอย่างนียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกอจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นพอไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบ ยกเอาเพียงว่าสองโลกเสียอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นะความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเค่นั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเครือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมติละเอียดก็เป็นสมมติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมติยังเป็นสิ่งเครือบแฝงไม่ใช่ของจริง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 น้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียอันวะอย่าไปถามหาสกุลหนามนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นหนามมานี้ตนานเท่าไหรมาจากสกุลหนามใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าเปาให้บบนี่บ่งหนามนั่นออกเสียอั น, นแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสยัย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 มันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันจีดมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นาศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะ เป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นน้ำยอกน้ำบ่งนิธีการบ่งน้ำออกข้อสอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจจะส่งจ่ายแสบไปหาสิ่งที่เป็นไภเช่นเดียวกับเราแกลมเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบน้ำ บ, บ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าตัวเองยาก็ใส่เสีย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 สิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับต่างๆให้นำมาใชา้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปกเรื่องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเรสประเภทต่างๆไปโดยลำดับใหนำม้ระมัดระวังใจของตน ต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากอยากเห็นนะฟังสิอยากเห็ น, นะ อ, ยหนอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นได้รสอยากสัมผัสสัมพัน์สิ่งที่เคยเป็นมาตั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญญาตยานของจิตที่สัมพยุด้วยกิเลส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 ไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิพิจารณาดูโทษของมันให้รู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภยัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะนะมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษ ตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันนะมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแยงแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะเวลานี้กําลังฝ่ายต่ำมันมันมากยิ่งกว่ากําลังฝ่ายสูงคืออัดคือทำที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งนั้นชุดลากเอาไปเป็น อาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ไมันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคํายากที่เห็นเห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความชิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติาศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นในไห น, ไหน ความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลาบากขนาดไหนก็ตามไม่คำหนึ่งในความยากมีแต่คำหนึ่งถึงความบุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลาดับําดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละชือเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสัมพันปัญญาในสอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจ เพิ่มความภาคความเพียรให้มีกําลังมากมากขึ้นความมุ่งราพยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นความสามารของปัญญาเป็นเครื่องไส่ซองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสาหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้เสมอว่าไฟต่ําซึ่ง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 ไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากลักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขนาดนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆนี่เมื่อสติปัญญายังไม่ยังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลา ได้เห็นก็าตามไม่ได้เห็นก็าตามมันหักมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรถเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นแหละเข้ามาคลุ่นมากคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เคือบเพิ่มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้น ทำให้เคือบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีควาว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอ <c oughs> หากไม่ไม่นำธรรมเข้าปัดไม่นำธรรมเข้าไ ป, ไำทำาไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏ ผลอย่างทําขึ้นมาแล้วเป็นคู่แขงกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลําดับลําดานแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวไผ่นั่นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความช้างความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเดน็นมาติดตัวของเราเนี่ย แตดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสันัดปักทิ้งทันทีทันทีนี่อะสติปัญญาที่ทันทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยเฉยที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลาดับลาดา แล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยท่ายเดียวนี่นี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วท่นนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราชจากสิ่งก่อควรใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำตามนั้นก็ค่อยเบาไปเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนัเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความ ผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่พันภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่นี่เราเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วซึ่งดังนั้นเมื่อเอามาเทียบเทียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วที่นี่ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายาม ระมัดระวังรักษาดรือถอดถอนไปโดยลําดับลาดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ เ, อาเราสรุป เ, เลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล น, นความช่างความเกลียดความโกรธช่งเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล รู้เท่าทันด้วยหี่ละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี้เราก็ทราบในชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์มัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลาดับลำดาความท้อโงก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาละคุณของใจโดยโด ย, โดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่า ความเห็นโทษก็เห็นดั่งถึงใจความเห้นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียร น, นี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลักเท่านั้นมีท่านเดียวความเพียรอัตโนมตัติหรือเรียกว่าภาวนามมญะปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนเดียวกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่นะในภายในใจิตใจของเราแต่ก่อนนั้นเอาดวงใจตรงนี้เป็นโรงงาน มันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินด น, นั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกเิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดทั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมา น, นแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มัน ที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบางเล็กบ้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคนิพพานอันพ้นจากเงื่อนมือของมันเลยนี่ดังนั้นก็มีแต่ความทุกข์ควาทุกข์มันเห็นในชาติผ่านจิตใจนี่ท่านเรียก ว, ว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลําบากอะไรให้แก่เราการลําบากลาบุเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลส อำนาจของกิเลสกำลังกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงขั้นที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจลกล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทําให้ขาดไปโดยลําดับลําดาจากใจนั่นหนึจนกระทั่งถึงขาดสะบ้านเอาหมดไม่มีพารในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมา แต่ว่าริใจใจบริสุทธิ์ก็ได้แต่ว่าทําบริสุทธิ์ภานาจัยก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันมีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันเปรตอาสวะอะไรในโลกสองสามนี่มันมีสมมุติดูหรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งนอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมติถ้าว่าจิต บ, บริสุทธิ์ก็ได้ว่าทาทั้งดวงก็ได้ไม่ไม่มีขัดมีข้อมไม่มีขัดมีแยง้งว่าอะไรได้หมด แต่พอผ่านสมมติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่ไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเห็นถนนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกกระลาย่ำยี่กิเลส ย, ย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอตูนน่ใต้อำนาของกิเลสพอพ้นจากอำนาจ ของมันขึ้นหมดแล้วไม่มีอะไรปวนแล้วก็บรุมาสุขนี่พานังปรามังสุขขังท่านสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี่ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ําเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเต็มตัวของมัน สุกอนนั้นเป็นปรบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุดเรื่องล้วนคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จําเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับตอนนี้มีใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเนียมี หานมีเหรียญมีสมบัติประสานมีความรู้ความฉลาดความโงกเขาบรราปัญญามีอำนาจปาศนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลนาการของเราก็ยังไม่เห็นสําคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั้นนี่แคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานัง p ระบ m งสุข u k h a m เราเอายกเอาที้ไปเทียบเท่า น, นั้นของคนมีกิเลสก็พอ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 ส้งกลับต้องกานมีอะไรเข้ามาแยง่งมาขัดมาแย่งไหม่ไม่มีนี่เราเทียบเทอ่ยวนิพานเทียบหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่ น, นี้นะ่ะ เ, เอาเอาเพียงเพียงเอาหลักท่านีไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กเล็กน้อยนอยอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียมการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริง ให้เห็นสดๆร้อนๆอันนี้ผ่านไปอย่างไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกอสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธทางชั้นนางกระฉามีพระพุทธเจ้าที่เรานับเขาเราฝากเป็นฝากตากับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกทำมังสะนังกระฉามีทำทีท่สันตัสสลูไม่ใช่ทำโกหกสังกลางสะนังกระฉามีล้วนแล้วถึงแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสาร เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหะพอเทียบกันได้เล็กเล็น้อยนอยแต่จะถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงเหล่านี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้นในหนังสือยังเขียนว่าที่นางเขียนไว้ว่าบุคคลชนนอน ก็เลยนิพานได้เวลาหลักสนิท น, นั้นพอเทียบกัน่ายเราเราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน้อะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีมไผ่อ่นนี้เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนําเราให้ถึงพระนิพานได้ให้ถึงความมีสุ์ได้เราหามาหาหามันี่ในโลกอนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละ หูได้ยินเต็มหูเต็มหูเนี่ยสิ่งแมดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจของเราให้ถึงซึ่งมรรคผลทผ่านให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลย น, นั่นบอกว่าไม่มีเลยนอกจากทำเท่านั้นทำใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยงพุทธะเท่านั้น พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทําให้ถูกต้องแม่นยาถึงจุดหมายปลายทางแต่กอกแก่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสําคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิบัติธรรมผู้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนําความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแม่นยําทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนําเราให้หลุดพ้นจากถุกมี มีในส่วนคาร ธ, ธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นแล้วส่วนขาร ธ, ธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเวลามีเวลาให้ภากันเจริญให้มากทําให้มากจากที่เหียดกี้คล้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันความกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในโคกวงความเปลี่ยนนอกเรานั่นแหละกิเลสมันความกินหายกินอยู่นั่นเราไม่เห็นเราไม่รู้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 มันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคํานี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคําว่าเผอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผอไม่มีคําว่าเผอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคําว่าเผอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทานเป็นอย่างนี้ แล้ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งก็นอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมด สติก็ดีปัญญาก็ดีความเท่าเทียมก็ดีควา ม, าดวามอดความทนก็เหนียวแน่นกันนักโลกไม่มีถอยพอถึงขนาดนี้วเป็นเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันนักธรรมเป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคําว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นทั้งเรียวว่าสติปัญญาสนมุมาต์เป็นอย่างนั้นแหละ เมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้โดยกันกิจทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นอืไม่มีคำว่าลาสมัยขอให้ดําเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมานี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มดูครับมันล้มได้โดยการทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินละเอียดมันความกินได้ง่ายกินได้เหมือกันนี่ถึงเวลาที่มันจะความกินง่ายกินไม่ได้และถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนส้องการที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้ อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าคำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเพียนให้อ่น้อยอกน้อยใจบ้างจะให้ขี้เกียจขี้ค้านอืมให้สูดเอื้อมหมดหวังมัางล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหล อ, อกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเร็วขนาดนั้นแหละไม่ทันจะเงียบเพามันความจริน ง, ง, ง่ายกินเมื่อถึงคั้นมันความไม่ได้งายไม่ได้แล้วมันจะรู้เอง ให้ทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี้แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้มาปฏิบตัติมันจะตายกี่กับกี่การมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายงั้นไม่มีคําคําว่าล้าสมัยว่าตายไปอะไรนัง่งหนามันลาสมัยแล้วหยุดจะมั่งสิไม่มีพิเรยไม่เคยมีลาสมัยมีแต่เรื่องภาษะให้เกิดตายเกิดตายตลอไปถ้าทําไม่ถุดไม่ลากออกไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยดีเดียวนี่ก็เป็นอจิยตายจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มี คำวาเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีทำเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีนพอตามเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเออเอาละทีนี่นั่ น, นเห็นไหมในธรรมะจักต่อเพราะวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่ายังไงวุสิตังพระมจริยังน่ะแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลนทั้งหลายนี้ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรื่อยแล้วเนี่ยอันว่า ผู้ิตังพรามาหนึอย่างกตังกรณีอย่างกิจ ท, ที่ควรจะทําคือกิจการฆ่าที่เหลียนนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิจตญาติประชานาติที่กิจอื่นที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละถ้ามาตัดสินกับกิเลตัดสินกับวัตจักวัตจิตกลายเป น, นี้วัตจิตขึ้นมาน้าติดานี้ปุณหพโวตั้งแต่บัตนี้ต่อไปความเกิดอีของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคย เปล่งพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเป็นงเนี่ยสารทิเดโกโเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเปล่งก็ได้เปล่งเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่งนั้นจริ ง, จรงๆจิตนี่เวลามันขาดขาดจริงๆริดจิตดวงนี้แหละเพรอขาดสะบ้านไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนจี น, AL? นี้สูญไปไหนฮะนี่คืกิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหัวใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเมื่อได้บริสุทธิ์ล้นวนแล้ว แล้วไปบุ่นหากับเรื่องเงาของกิเีลสมันให้เสียไปนั่เวลาไปทํำไมว่มาศูนญหรือไม่ศูนย์ยนยไปยัง ไ, ไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมาเปนไปทําไมว่าเรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดเกิดเกิดาดมากี่กับกี่ขันมาแล้ ว, ศ, ลวศูนย์ไม่ศูนย์เราก็เป็นบ้ามากี่กับกี่ขันนะกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่ะเมื่อถึงขั้นบริสูญแล้วเราเป็นบ้าอันนัอีกขั้นบริสูญไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้านลยนะขั้ น, ะานพาคนเต็มยอดของคนเต็มยอดของจิตเต็มยอดของธรรม วิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึ ง, ถ, งถึงเหตุถึงผลแค่อย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนแผ่นสอนเต็มอกจต็มใจสอนด้วยริมลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยใช้เทมมดให้หม ด, fazer, หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลําบนอยู่ในวันหนึ่ง <c oughs> ว่าหนึ่งเนี่ยความคิดของยายถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละเนี่ยนอกจากมันมันมาไม่ได้มันอบรมไมาได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจําเป็น เป็นอารมณ์กมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทําไงกมูเพื่อนมุ่งมาหาหนิเพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทํายังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็ลัมากขึ้นโดยลําดับลําดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอะ่ะไม่ใช่อะไรครู่ว่าอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทินแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ดูหาได้พึ่งน่มเงาของท่านท่านก็ล่วงไปล่วงไปอย่างที่เราเห็นตอนนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีไม่มี ก็เลยแย้มประตูเปิดรับบังเล็กๆแน่นอนกลไกลกลายเป็นทางประตูเข้าม า, านั็นสี่สิบกว่าปีนี่ผมก็ยังทนยังไงตั้งใจปฏิบตัติอย่ามาจีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะแล้วจีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังแค่จีดขวางหมู่เพื่อนอยู่เรานี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติทำต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นผู้ใด ผ, ผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วย ถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ที่ว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจสติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแข็งฤทธิ์ได้ลักที่เดียดนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นอ่ะมันแข็งฤทธิ์ได้ถ้ามีทำเข้าไปจะกําจัดมันมันก็ยอมถ้ามีทำแล้วมันเอาขึ้นได้ทันทีอ่ะแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกําลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมัน ควาุลร hey. well, e, right? ักษาให้มันเจริญเติบโตเทวาั้นวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขนาดก็เป็นอุปัติกาสนี่มันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟัดเราแหลกไปเช่นเดียวกันหมดนั่นทำไมระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบร่มแักตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเกรียงไกรของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่พบกี่ชาติกี่กลับกีกลันแล้วมันจะไม่เกรียงไกรยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานาน ทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจกนกระทั่งเราได้อบมรมเป็นสติกำลังกวามาของเรามันต้งมีเกียกรติขึ้ น, นามามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นัดมันเห็นยัง้นสิท่านปฏิบัติสติเป็นสำคัญ นี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนก็ไม่ได้เทพนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจําเป็นจริงๆริงเพาะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นทำรรคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดขึ้นมาเลมันถึงจะดุดสติปัญญาสองอันส อ, รร ส, อสองธรรมชาติสองสองธรรมชาตินี้คลมคืนเป็นอันเดียวกัน นิเรมีอยู่ที่ตรงไหนค่าศึกมีตรงไหนมันจะสะอจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหะท่านเราวางานของจิตสติปัญญาทางานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ท่ายานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหา ก, ก็เป็นงานประเภทหนยังไม่ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภาในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าฮถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสันติโกร้อเปอร์เซ็นเต็มตัวแล้วจะถามท่านทําไมท่น ธรรมมาสันนิโก้ท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขไมาทรงถามผู้ใดเวลาท่านประกาศจะรู้อันนี้ประธานพระอวาชได้เรียบร้อยแล้วเมื่อดําเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรูข้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลํำดับสันนิโก้จะบอกไปโดยลํำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมิมุติ ด, ดุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภ า, ายในหัวใจนี่ออืฟ้าถลม่มดินถลม่มอก้เด็ดวัตจักร หลุดลอยลงจากหัวใจจะเปรื้อเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงอืตั้งแต่บัรนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคําว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถ า, านที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลมีแต่กิดเลกมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี้่พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นค่าศรริกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยัง แต่ตายก็ตายก็มีเรื่องทาเรื่งขันยังอยู่ก็คือท่าคือขันตายก็คือท่าคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรเอถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์ดุพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันนี่เรียกว่าวิมุตติดุพนอกุปะธามอากุปธรมหม า, า, หายถึงอะไรมันถึงนั่นสิมันรู้สินั่นละกันว่าได้ลืมหูลืมตาเต็ม หูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองหนูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ได้นำมัดระหว่งังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มต า, ตามเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเตม็มเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระหว่างเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะพานไปหมดจากดวงใจตรงนั้นระหว่างจิต ก, กับยิ่งเลดทั้งหลายขาดสะพานเดียวกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไป นอนตายทายตายยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เท่านั้นอนะ่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยเพรวะที่เมือ่อยเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ําเป็นนา้าลมเป็นลมเป็นจะเป็นว่า เ, เป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันนี้ใจมาครองตัวด้วยความคิดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวไม่รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริง ของท่าของขันของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเพื่อหยุ่ยิงบึนบายอดังที่เคยเป็นมาเลยงานขอให้ทุกท่านตังต้งใจคุยปฏิบัติเนี่ยเอาจริงเอาจังอย่าเล่ยเล่ยล่อนลอดทะเลทะไล่เมืองกิเลนนั่นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทะไลมาอยู่นานๆแล้วชินมันนะชินชาหน้าด้านไปนะ อันนี้แหละคุระวังมากเรื่องกิเลสมันเป็นนะฮะการพูดก็เอาแค่นี้บางคน